ใช่ครับยอมรับแล้วก็เป็นความจริงอย่างนั้นจริงๆค่ะคนไทยเองจับละเลยแล้วตอนมีความคิดองไรบ้างที่จะแก้ไขไอปัญหาที่เรามีอยู่ตอนนี้ที่มึงถ่ายหมายถึงว่าคนไม่ค่อยหนุเรื่องศาสนาเลยก็แก้ไขในตัวของอาตมาเองที่นี่คนที่จะต่มีความรู้สึกทราบซึ้งเรื่องอันนี้เขาก็จะค่อยแสวงหา หมายถึงว่าคนที่จะพร้อมฟังคำอบรมจากครูบาอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็จะได้ฟังแต่ว่าจะออกแบบที่จะไปเผยแพร่แบบที่จะไปบังคับคนอื่นหรือว่าแบบที่ทำกวงขวางมากขึ้นไปหรือวิสัยของเราก็ไม่ค่อยได้ผลามว่าแล้วต้องให้คนที่สนใจจริงๆมหาเรา คนนั้นก็ไม่ถึงว่าจะเขาจะพร้อมใจจริงๆที่จะไปฟังเออถ้าเก <ใจ S 2> ิดการแบบนั้นะนะครับวัฒศาสนาคริสเตียนก็ก็ทําทได้ผลกว่าครับอ่ที่ผมพูดแบบนี้หมายถึงว่าเขามีคนที่เป็นคริสเตียนมากกว่าในพุทธโดยที่เขามีความไอความเชื่อเป็อย่างว่าถ้าเกิดเราออกไปสอนแสวงหาให้คนมาเผยแพร่มากขึ้นอ่าอาจจะได้ผลมากกว่า ทำไมศาสนาพุทธคนนั่นก็คืออะไรบ้างอันนี้ผมอคนขวานหรือคนเปรี้ยวๆหรือผลมันซุกหรือยังไงนะต้อไมล่นในใจนะคนอันนั้นกระไดยางไงบ้างคนของเขากับคนของเราก็อาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าจะว่าผลกับผลเหมือนกันแต่ว่าวงวนแบบไหนอย่างสมาชิก50คนหลักสมาชิก101 50คนที่เข้าถึงฝา ถ้าบ พ, พูดถึงจํานวนคนนันก็มากกว่าสักมากกว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงอถึงแท้จริงนั้นน่ะคนจริงจะถึงจริงๆก็ น, กน้อยเปอร์เซ็นน้อยแม้แต่พุตธศสาสนาพุทธศาสนากกมเหือน<ด>ัแต่การผเผยแพร่การู้สึกจะต่างกันเพราะว่าเขาชอบแบบออกไปโฆษณาะการพุทธศาสน า, นสาไม่ได้หาเรากั แต่ไม่ได้เพราะการต่างคนนั้นใช่ไคะแต่การประกาศของเขาก็เป็นอย่างนั้นคนจะพร้อมรับก็เขาก็รับไปไม่พร้อมก็ไม่ได้รับไปดูที่ความพร้อมของแต่ละคใช่เขาไม่พร้อมรับเขาก็ไม่ไปกันแน่ะไนะครับเชิญให้กาบเรียนลุงพ่อครับ ทำไมครับพ่อครับดอกบัวสี่จพูกฉัน ส, สายท่านหรือไม่ไม่ผมเดี๋ยวอาจารย์ผมไม่ถามเ <laughs> มื <laughs> ม่อกี้ผมถามอย า, อยากจะรู้เรื่องอยากจะรู้อะไรต่ออะไรเรื่องจิตใจแบบ แต่เราอยู่นอกพุทธศาสนามาเริ่มใส่อะไร ย, ยังไงยังรู้จักเลยถามท่านนะครั บ, นนรบใช่ครับนะคือว่า <c oughs> นี่ถ้าคนไม่มีใครฟังไม่มีใครใช่ใคยเชื่อที่ท่านตอบให้ท่านฟังเนี่ยท่านตอบไม่เคยถูกดีเลยถูกแต่มันไม่เข้าใจ <c oughs> ถามว่าท่านได้ไปสอสแบแสวงห า, าศาสนาอื่นหรือยัง <c oughs> ท่านว่าไม่ได้ไปแต่ว่ามาถึงาศาสนาพุทธพอ ันที่ว่าพอแล้วคนฟังก็เห็นว่าพันศึกษาน้อยไปเนี่ยไม้ทอนเนี่ยเห็นไหมสวนหนึ่งมันอยู่ทางนี้ส่วนห น, นึ่งทางเนี้ยท่านจับตรงกลางมันขึ้นตรงเนี้ยสองส้นมันก็ยกขึ้นเองของมันครับศึกษาพุทธศาสนาแล้วท่านมันหมดที่จะสงสัยแล้วก็ได้หยุดท่านทีเดียวท่านไปดศึกษาศาสนาอื่นหรือเปล่าศาสนาอื่นมันอยู่ทางสองนี้ ตรงนี้เป็นจุดกลางนะครั บ, ค, รบคือตรงนี้ทันเห็นความว่าไม่มีที่จะเพิ่มเข้าไปอีกแล้วไม่มีสิจะออกอีกแล้วในความเข้าใจของทันอย่างนั้นทันก็ตอบอย่างนี้ทันมาขอบแจ่พุทธศาสนาแ ล, ลา้วพอแล้วท่นานวางเก็นอย่างนั้น <c oughs> อันตมาก็มีความรู้สึกเหมือนกัน <c oughs> นะเรื่องคนนับเึืพุทธศาสนาแลอย่างเมืองไทยเราเนี่ยอย่างโยมที่ว่าอัตมาก็ฟังได้เหมือนกัน แต่ผมชื่อว่าพุทธศาสนาแต่ผมไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ฟังได้เหมือนกันถึงจะอาจจะมาบอกไปว่าจะเอาฝรั่งมาหัดฝึกคนไทยนะไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรนะยมศึกษาแต่เรื่องทางโรค ก, กันหลายมันก็ได้ดีไปทั้งโลกรู้เรื่องของโรคไปเรื่องนี้แท้จริงนั้นไม่รู้จัก <S S <S แต่เราอยู่ในกลุ่มพุทธศาสนาเท่านั้นเหี่ <S <S <S แต่เรื่องาศาสนาที่แท้จริงๆนั้นเราไม่ค่อยไปรู้เรื่อง มันเป็นไสยอย่างนี้แลอวถ้าเพื่อฝรั่งก็ถามผมว่าศาสนาพุทธคืออะไรนี่เอมผมจะตอบว่าอะไรกรท่น <c oughs> อันนี้ไอโยมจะต้องไปศึกษาพุทธศาสนาเองอยังเอาความรู้ของคนอื่นไปตอบเลยมันเป<ม>็นถ<ม>ูก<ม>ผมไ ม, ม่ผมไม่ได้หมายความแบบนันครับมผมหมายถามันสมมติเขาถามมาแบบง่ายๆว่า What is What is ศาสนาคืออะไรออย่างผมถามท่านพุทธสาคืออะไรท่านเออท่าน ท่านพอจะได้อ้แต่วามันไม่ได้มันมีแล้วตั้งแต่ไทยพุทธศาสนาหน่พุทธศาสนานี่คือความที่ถูกต้องเท่านั้นแ่ะจริงที่ถูกต้องแล้วอืมมันเป็นความจริงใช่ไหมคะใช่จริงนี่ไ ม, ม, ม่จริงเลยที่มัที่มันถูกต้องเลยนะ่ะทุกวันนี้ถ้าเราทําถูกแล้วเรากสบายกันทุกคนมันมันไม่สบายเพราะทําไม่ถูกทุกวันนี้ ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคำที่ว่าที่ถูกต้องมันสาคัญมากที่สุดอ่ะเอออ่านี่ครมหมดเลยทั้ตามที่คุณได้แั่แจ้งเลยอะไรแล้วครับอริยศาสตร์ครับไม่ต้องไม่ต้องออกชื่อมันร็อกไอ้สิ่งที่มันที่ถูกต้องน่ะคือความเป็นจริงน่ะแหละมันพุทธศาสนาละถ้าเราไปถึงความเป็นจริงจะไปถามอะไรอีกไหม ถ้าบอกเอาแก้วมาอายกแก้วมาแล้วเนี่ยจะไปถามมันไ ม, ม่หมดปัญหาแล้วเอานั่นอันนั้นก็เป็นขันนี่อันนี้เป็นแกวยกมาให้ดูแล้วคือความจริงแล้วมันก็หมดแค่นั้นเนี่อไม่มีทางที่จะต้องไปแหละเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเท่านะั้นเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นว่าผมก็ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับไม่ยอมรับว่าเราจะมีปัญญาถึงพอหรืที่จะรับนั่นแหละ ถ้ายอมรับก็ต้องมีปัญญาที่ถ้ายอมรับปัญญาปัญญาเราก็มีํารทำเทวรัตน์่ปจะรับของปลอมไปรับอย่างแท้จริงนีอย่ารับได้รับเอาเสียอย่างฉันได้มากมากของใช้ไม่ได้มันก็มากก็จริงอยู่แต่ว่ามันไม่ดีนี่จะทํำยังไงมันเป็นปริมาณใช่มันมีคุณภาพอย่างนี้อันนี้ท่านไม่พูดถึงเหมือนคือยกอันเดียวนี้มันคุ่มหมดอะไ้มันคู่มดอย่างนั้นนี่นี่เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้น อัตอมาเคยพูดให้ญาติโยมฟังดูศีลดูขา้านั่นแหละไปทั่วทิศไปอย่างเราออกมากันนี่ไปเรียนความรู้วิชาใช่ไหมเรียกว่าศาสตร์มันหลายศาสตร์เยอะเกินทุกวันนี่นะมันยัดศาสตร์ลงไปจนจะนับไม่ไหวแล้วล่ะแต่ว่าศาสตร์อะไรก็ตามเถอถ้าไม่มารวมพุทธศาสตร์เดีย๋ยววุ่นวายพุทธศาสตร์นี้เรียนจากอิชาเดียพยาบาทกันทั้งหมด้เรียบร้อย เมตตากรุณาเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะไปแล้วไม่เห็นเจตัวเนี่ยอืมนี่พุทธศาสตร์นี่ศาสตร์อื่นๆมีความรู้ดีเหมือนกันถ้ามารวมพุทธศาสตร์เนี่ยดีวัตถุศาสตร์เลยถ้าแยกออกจากพุทธศาสตร์นะคือความจริงนี้แหละเป็นศาสตร์ทะเลาะกันแนั้นนี่มันเป็นซะอย่างนั้นอาตมาที่บอกว่าไอ้ศาสคือพุทธศาสตร์เนี่ยมันครอบแนละ้วครับหลวงพอกรับ อ, อยากจะย้อนกลับไป ได้ถึงหลุงพี่นะฮะที่พอดหลุงพี่ไปถึงเพื่ับนะฮะไปพบพระพกรายเข้านะแล้วเกิดความเลื่อนใส่แสดงว่าหลุงพี่ต้องต้องเนะครับว่ายังไงก็เชื่อเอาเถอะว่างั้นนะไปตะคุบเอาเลยว่างั้นเถอะ ใช่เลยครับผมไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรถึงไปปั๊บปับใช่คือเรื่องนั้นท่านไปเริ่มงใสเฉยๆในเรื่องเที่จริงมันท่านมาคนข้อที่หลังนี่ใช่ไหมมีศรัทธาก่อนใช่ท่ามีศรัทธาศรัทธานั้มันเชื่อไอความเชื่อเฉยๆตัวนั้นก็ได้มาทําอย่างนี้แต่มาคนว้าอีกการบวชปฏิบัติขึ้นมามันดูเรื่องตามไปจริงขึ้นมาทีหลังทับก็ไปอีกทีหนึ่งก็เลยแน่ใจใช่ใช่อย่างคนทํำไมเนี่ยสีมันใสๆนึกว่าชอบนี่นึกว่ามันจะหวานมันเปรี้ยวอ้าวไม่ใช่แล้วนี่ แต่เขาเรียบใสมันข้างแรกเขาทิ้งมันนี่ผลไม้ตัวนี้เป็นเหตุเราทานเข้าไปได้ค้นพว้าผลอื่นต่อไปอีกมันได้ได้ความจริงอย่างนั้นอืมใช่นี่เรียกว่าขั้งแรกเนี่ยเชื่อโดยศรัทธาอธิโมกข์ไม่มีปัญญาก็ได้แต่มามาท่านเขไปศึกษาแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาไม่มีทางดีเรียงแล้วจําเป็นจะยอมก็ยอมรับเพราะมันเป็นอย่างนั้น มันเองเนี้ยศรัทธามันสองอย่างไปเห็นก็เชื่อเลยเห็นไหมอย่างนี้เอต้องจับมาดูซะก่อนเชื่อเลยอันนี้เป็นจริงมันมีศรัทธาเฉยๆไม่มีปัญญายังไม่รู้เรื่องตามความจริงมันอย่างผลไม้นึกว่ามันจะหวานเอามาเอามาทา น, นมันเปรี้ยวอ้าวใช่แล้วทิ้งมันไปคเนี่ยต้องหาหาผลไม้มาที่ไหนมันจะหวานให้มีปัญญาเกิดขึ้นมาซะก่อนจึงจะเห็นความจริงของมันอย่างนั้นเป็นศรัทธาขั้นที่สอง ท่านได้มานั่งภาวนาได้มาพิจารณาอะไรพี่เคราะหพิจารณาดีแล้วมันไม่ค้นจากนี้ไปก็มีความเชื่อขั้นที่สองเป็นใหมน่เอครับเอาไปหมดนะดนั่นผมจะพอจะเข้าใจา <laughs> แล้วอ่าแล้วนอกจากหลวงพี่องค์นี้มีคนต่างชาติต่างประเทศอื่นที่เข้าไปบวชนีมากครับเยอะแยะไปที่บ้านพวงนะ<ะ>บาทดวงออกมาบวชที่นั่นเเนี่ย โอเคแล้วที่บวชจะบวชเป็นพระนะฮะเป็นพเประพุทธนะฮะนอกจากประเทศไทยแล้วที่ไหนมีครับะนอกจากที่เมืองไทยคนบวชหรือคนที่จะมาบวชคนที่จะไปบวชได้ครับบวชที่ไหนครับนอกจากเมืองไทยแล้วได้ใครจะมีศรัทธาบวชก็บวนได้จะบวชในเมืองไทยแล้วไั้ไม่ใช่ครับนอกจากจะเป็นพุทธ่เมืองไทยเป็นบวชเป็นพระที่เมืองไทยแล้วนะฮะที่ประเทศอื่นมีที่ไหนบ้างครับยัง อย่างที่นี้ก็ได้ต่อไปได้พอแค่พูดถึงพูดถึงวุฒิภูมิไทยใช่ใช่ถ้าไม่บวชมุนไชก็อ่านบวชอินเดียแล้วใช่ใช่ช่ที่ลังกาหรสถานที่บวชสถานที่บวชพูดถึงสถานที่บวชนะศาสนาเนี่ยมันอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแ่ะถ้าเรามีศรัทธาบวชเนี่ยคํำที่บวชเนี่ยเป็นยัไงนะอย่างบางไทยเราน่ะมันมีมันมีเทรวาสมามีเทระสมาคมเป็นหักพุทธศาสตร์ฐานบวชจะต้องมีเสมา นะผูกชีมาตั้งทีมาสร้างชีมาขึ้นบวชได้ตรงนี้ไม่มีชีมาจะกวดตรงไหนนี่บวชในทะเลสาบก็ได้ผมว่าคำถามผมไม่ได้ไม่ได้หมายมาแล้วเอาไม้ยังไงเอาไปที่ยศวสฒมเตินจะเรียนหนังสือนะมีปัญหาอะไรดีๆอยู่สี่ห้าแห่านะคำถามว่าทาไมเขามาเลอกบวชที่มณฑไทย อมากกว่าเรื่องบทที่ลังกาเออหรือมากกว่าเรื่องบทที่พมกเอ๋ออันนี้มันเรื่องไอเมืองไทยเราทําไมคนไทยถึงมากกว่าอฝรั่งอ่ะเพราะมันตั้งรกรากที่นั่นก่อนนะพุทธศาสนานี่ผไม่ได้หมายถึงเปรียบเทียบที่เปรียบเทียบที่เปรียบเทียบก้นต่างประเทศที่ไปบวทที่เมืองไทยครับใช่ก็ไม่รู้เขาละอันนั้นเขาไปมีสถาที่เมืองไทยเขากระบทความไทยนี่ยดูเรื่องต้องเขามีได้ตรงนั้น ต้องเหรอผมนี่ครับท่านครับมีที่เขาจังบวชอ่ะทำไมจะไม่มีเข า, าไปเมืองไทยมากก็ไปสืบกับพระามากเขาไปบวชตรงนั้นมากไอ้อคนหนึ่งไปคนสองเพื่อนเพื่อนของคนคนหนึ่งมันมีกี่คนนะ่ะไอ้อคนนั้นไปก็ไปเยี่ยมกันไปแย้มเหมืนอนคนหลายขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นเอ อ, เ อ, อแล้วอีกอย่างต้นรากเหง้าที่สั่งสอนอบรมในกาปรปฏิบัติธรรมศาสนกิจคือทางวิปัสสนากรรมฐานนุสมาธิภาวนาก็อาจารย์ทั้งหลาย ก็ อ, อยู่ใช่เขาใจแล้วเขาใจโยมถามว่าโยมถามมาทำไมถึงไปบวชเมืองไทยหลายนะคือเมืองไทยเราไม่รู้จักมันเป็นอะไรเลยนะคือคนไปเที่ยวเมืองไทยจุดแรกก็คือมีพร ะ, พระคนหนึ่งพระประหลังในเมืองนอกเมืองใดก็ช่างมันเถอะก็ไปบวชตรงนั้นก็ได้ความเห็นชาติขึ้นมานะที่สองกไ็ไปไอเพื่อนต้องคนคนนี้มันมีกี่ร้อยคนนะก็ไปเยี่ยมกันบอกกันไปก็ไปเรื่อยเรื่อยรืยเรื่อ ย, อ ย, อยไป อย่างวัดประพงศ์เราครั้งแรกมีองค์เดียวท่านทุสมีธูองเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้รับมีไหวเลยครับอหลายแต่ไม่ได้หมดทุกคนนะเอะเรื่องเราบางทีมันมีสัมผามีความเห็นมากคากเนกคกเข า, าด้มากบางคนกมมาหัวพันชาพันชาสองคนชาเสร็จแต่คงที่จะอยู่เลยก็มาได้ว่าเขาศึกษาต่างคนเมืองไทยเราศึกษาพุทธศาสานานี้อย่างท่านว่าน่ะอย่างอจะมาเคยว่าน่ะ ต้นไม้มันหลายร้อยปีมาแล้วนะรูปมันพอไม่เคยมากไป่เคยอ้วนเหลือดจริงที่มันตายเนี่ยมันพังตรงให้เราปวดมันครับอย่างบองไทยแล้วมันกันบวดเดี๋ยวนี้สิบห้าวันเจ็ดวันเท่านั้นไม่รู้เรื่องอะไ ร, ร เ, าาาาาเ น, นานแหละปวดเป็นพิธีอันนี้เขาไม่ใช่อย่างนั้นนี่นอัตมานี่ให้ให้ให้อยู่เนี่ยอย่างน้อยบวดตรงอยู่ห้าพรรษานอยู่ด้วย ที่จะบวดเป็นนาคอยู่นี่เป็นต้นน่ตั้งคนศาหนึ่งหรือสองคนสาลรรมานแหนากกว่าคนคนไทย <c oughs> อีกใ่มันถึงเห็นชัดแต่ผมว่าถ้าเผื่อหลวงพ่อพูดว่าทุกคนบทสี่ถึห้าวันฮ ะ, ะสมมติว่าทุกคนไทยทุกคนจะบเสียห้าพรรษาเราไม่ต้องทำไรกันเลยเป็นพระมันหมดถูกไหมครับมันหมดไม่ได้ วัตถุรครับหมดไปได้อันนั้นสมมติเมันที่เป็นไปไม่ได้ครับแั้วก็เป็นไปได้เจ็ดันคน3ามเดือนเป็นไปไม่ได้ถ้าคนทุกคนบวดไปได้คนละสี่ห้าพันสาหมดก็ทาไมกลัวจะไม่มีคนทางานให้ประเทศชาติใช่ไหมคะครับผม อ, อกไย่างนั้นครับไม่มีคนทำากินโอยอย่าไปกลัวเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนี่ไอ้ไเดือนมันกลัวดินจะหมดดินเนี่ยมันขี้กน <S <S บนบนันมาไบอนคิดแบบนั้น เเราจะไปคิดอย่างนั้นทีมันคิดแบบนั้นน yani ่ะแบบต้องกภาษาเสดเดือนนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสมมุติมาเพื่อตัดบทแต่ความปีกิงมันเป็น่นไปไม่ได้อย่างนั้นยังอาตมาที่สั่งสอนให้โยมเชื่ออาตมาไม่ต้องไม่กัมมับทหรอกผลสุดสุดก็ย้อมไปย้อนไปหาได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นแต่เมื่อเหตุผลอาตมามีว่าถ้าบทเจ็ดวันสิห้าวันทุกคนจะเป็นไง มันจะดีไหมใครจะมาสอนสินธรรมกันอยูอ่อย่างนี้มันก็คนในแง่ทีมันเป็นไปไม่ได้จะวัดเจ็ดวันสิ 15. บหกวันทุกคนไม่ได้ใช่ครับเออต้องวัดตลอดตายก็มีห้า ป, หปีหกปีก็มีหกวันเจ็ดวันไงมันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นอาความคิดเช่นนั้นเป็นเป็นความคิดของใส่เดือ น, น <c oughs> จำไว้ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ที่ก่อน แต่มาคลามากรุงรนด่นเดินมาเมืองนอกข้างหนึ่งเนี่ยถูกพวกวีบีซีเขาเไปสัมภาษณ์ <c oughs> จนได้ออกหนังเนี่ยใช้หนังทุกวันสารพัอย่างสัมภาษณ์ให้เขาพอใจ <c oughs> ต่อ น, นั้นมาก็มีพวกฝะาพลดังเขามาบวดเรื่อๆตลอดมาแต่ความเป็นจริงคือเรียกว่าเขายัางไม่เคยเห็นการทำอย่างนี้ <c oughs> เขาก็อยากจะไปดูไปทำกัน ไปดูไปทำเนีย่ยมันก็แปลกอย่างนี้ไม่ใช่ใได้หมดทุกคนนะไม่ใช่ใได้หมดทุกคนไม่ใช่ใได้หมดทุกคนมันเป็นไปอย่างนั้นเพื่อนศาสนาเนี่ยงั้นพี่ผมผมมีความสนใจนะแต่ผมว่าศรัทธาผมอาจจะไม่แรงเหมือนเอเอเดินเอามาันไปนั่นกวนศรัทธาอย่ามาไหวในนี่เลยเอศรัทธาผองพี่นะใช่ แล้วผมอพยายามใช้ชีวิตที่ว่าอ่ในทางที่ถูกนะฮะหรืออาจจะผิดบ้างเล็หน่อยนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรมันผิดถูกมันสลับกันไปแหละมันมีหวานอย่างเดียวไม่อร่อยหรอกเปรี้ยวอย่างเดียวไม่อร่อยหรอกมัน <จะ S 2> มีเปรี้ยวมีหวานสลับกันไปจะทําให้ใครถูกเหมือนเหมือนหลวงพออ่อเื่องที่นี่ผมว่าผมคง อ, อาจจะยังมีปัญญาไม่เต็มครับใช่ก็อยู่ตอนที่ใครจะเฝ้าว่านเน่ะไปหมดแล้ว แล้วก็อยู่ฝ้าวานสักคนดิอย่าไปหมดกันดิใช่ครับฝ่าวาสเลับ้านีแล้วเด็กวัดบ้านให้ดีนะทำบ้านให้สะอาดนะอย่าอยู่เฉยๆนะฝ่าวานะบ้านนต้องบ้านเออใช่ต้องบ้านสะอาดนะฉันก็สะอาดดีขึ้นมากนะคะเอาที่วันนี้เาตั้งใจมาแล้วเนี่ยไม่มีเวลานานเนี่ยจะแก้ความสงสัยลูกหลานเราเนี่ยนะ <S <S ให้ปรึกษากันไม่ใช่ัดสนทนาเรื่องใดเรื่องพุทธศา ส, าสานานี้ก็เือไอ้พวกเรามันอยู่กันนาน แต่ว่าไม่พูดถึงโยมผู้ปฏิบัติศาสนาเดนมันตายไปตายโดยที่จะไม่เห็นอะไรเลยตรมตีเพราะมันไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงอืมฉะนั้นอาตมาก็จะรายงานให้ญาติโยมทราบักหน่อยหนึ่งอาตมานี่ไม่ได้ยนอะไรหรอกเรียนเรื่องธรรมชาติเรื่องจิตใจบวชพระมาแล้วก็อยู่ไปไม่กี่พรรษาก็ออกป่าอันะั้นตั้งแต่คราวท่านอาจารย์มั่นยังอยู่ระขนาดถึงถึงเนี่ย ศึกษาพุทธศาสนาเขาเป็นอายุเก้าขวบเป็นเด็กมาเยอะงั้นไม่รู้เข้าไปอะไรกันเขาไปเขาอยู่งั้นตอนอายุเก้าขวบใช่ก็ไปอยู่กับเด่นเด่นกับเจ้าพระสงฆ์กุกกีกันไม่ไช่ใช่ใช่มันมีศรัทธาอย่างว่านะไม่ศรัทธาอย่างอยู่วัดศรัทธาอยากเขาไปอยู่วัดแต่ไม่รู้ว่อยู่พอไม่รู้ว่าอะไรนี่มันเป็นอย่างเนี้นี่อนี้ไม่ต้องสงสัยมันแล้วที่นี่คนเราถ้าเราไปศึกษาอยู่นะอย่างเช่นเราเนี่ยนะ เราให้อาหารมันทุกวันทุกวันมันก็โตทุกวันเลยจนถึงที่มันถึงวันนี้เกิดมาทั้งแรกไม่โตถึงนี่เราพ้องให้อาหารมันทุกวันมันถึงโตมาบัดนี้เราเข้าไปเสีบสั่งสมในที่อะไรมันก็ค่อยๆเข้าใจกันมาเข้าใจขึ้นมามันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนี่ยังเด็กๆเราเกิดมาชอบเล่นอย่างหนึ่งโตมาขนาดนี้อยากเล่นอย่างเด็กมันเล่นไหมนะ ไม่อยากเล่นอย่างเด็กมันเล่นมันมีมีประโยชน์แต่เราจะพูดให้เด็กฟังมื่อกี้ามันมีประโยชน์หรือแม่มันเกลียดเรเลยนะครับใช่ไหมทําไมเราก็เป็นเด็กก็ชอบอย่างนั้นทําไมมันเปลี่ยนธรรมพราณีทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้คือธรรมชาติมันได้เรียนได้เสพสูงมาเรืยๆมันเป็นมาอย่างนี้อือมีการเรียนกับธรรมชาติของมันครับแต่อาจรมาก็โอกาสให้โอกาสถามนะอย่าโยมเราเนี่อืมอืม ไม่ได้เอาอะไรมามาพูดให้ฟังเอาความจริงนะพูดให้ฟังครับผมผมมีปัญหาสามมีผมเดี๋ยวมันจะหมดเวลาต้องเวลานั่งกรรมฐานนะฮะอออย่างนั่งกรรมฐานแบบพวกนี้นั่งอะครกันผมคิดว่าพวกเราหลายคนที่อยากอยากจะนั่งเหมือนกันใช่ใช่แล้วผมอยากให้ท่านพูดถึงผลประโยชน์แล้วก็อทั้งในทางร่างกายและจิตใจออืของการได้ได้ได้นั่งกรรมฐานแล้ววิธีทํได้กรรมฐาวิธีทําก็ได้ ทายุ่งจะทําได้ไม่ยากมันจะมีใครขอให้ได้ทั้งนั้นกลัวจะ ม, มีคนเอาเท่านั้นนอกจากม่มีคนเราให้ท่านท่านไมท่านไปที่นั่นนะครับ <c oughs> ผมจะยอมรับคนใช่ก็พูดให้คนฟังนี่จะทํายังไงอะเรื่องนี้เรื่องเรื่องพระเนี่ยนะไม่ใช่มีอะไรโดยตรงเป็นอย่างอื่นนะเรื่องจะสั่งสอนตัวเจ้าของสั่งสอนประชาชนทางไหนที่อุปการะร พระมาถวั น, นไม่มีเรื่องอื่นจะไปคุยอะไรไปที่ไหนไม่มีนะเอาเฉพาะความเป็นอยู่และประสองเคราะห์ตัวปรสงเคราะห์คนอื่นเท่านั้นเรื่องพุทธศาสนานี่นะเรื่องศีลนะเรื่องศีลบทพงมันนะเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเท่านี้สารูปง่ายเรื่องศีลนั่นเรื่องธรรม เราทางดายเป็นต้นไม่ให้มีความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งมุดนะหมายความไปอย่างนั้นอย่าไปว่าทําไมมันไม่ทําไมมันวุ่นวายอย่าไปว่าเยยงั้ย น, นะอืข้อที่สองความไม่ไวุ่นวายเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเนี่ยความสงบเกิดขึ้นมาคือสมาธิอืเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วได้ดื่มวามสมาธิแล้วความสะอาดมันจะมีปัญญ า, าเกิดขึ้นครอบเลยที่นี่ มาพูดถึงการกระ ท, ทํานีนี้มันกระทายากได้หน่อยนนะออือืยากหน่อยแต่ว่ายากก็ไม่เป็นอะไรหรอกยากมันถูกของดีมันอมืมันต้องยากหน่อยมันจึงเป็นทุกข์ถ้าคนไม่ทุกข์มันไม่ลืมตาหรอกถ้ามันมีสุขมันดับสนิทตรงนั้นเลยหดเหยียดไปเลยนะทุกข์นี่มันแพงเกินไปเราดึงให้มีความคิดมาก ให้ขยายตัวขึ้นมามากเราพวกเรามีความทุกข์มากนั่นแหละเออดังๆมันมีความทุกข์มากนี่ทุกข์มันเกิดมาเพราะอะไรจะต้องรู้มันดีไม่ใช่ว่านั่งให้มันหมดทุกข์เฉยๆบัดนี้ฉันหนักแล้วมันหนักเพราะอะไรเพราะยกแก้วนี้ขึ้นมามันเึิงหนัก ถ้าปล่อยมันเฉยๆแก้วนี้มันไม่นักไหม่หนักจะไม่ปรากฏกับเราพราเราไม่ไปสัมพันธ์กับมันมันก็ไม่หนักนี่เรื่องทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นเราทําไมมันถึงหนักพอเรายกแก้วขึ้นม า, าทําไมมันถึงทุกข์เราไปจับทุกข์มาไว้แต่เราไม่เข้าใจว่าทุกข์น ะ, ะว่าทุกข์นั่นจะเป็นของประเสริฐว่าทุกข์นั่นจะเป็นของดีกูให้วางก็วางไม่ได้ให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ก็หนักอย่างนั้นทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้น อย่างนั้นพระพุทธเจา้าสอนแบบให้รู้จักทุกที่ไปยึดขึ้นมานี่หมายความว่าไปหมายมั่นมันเกินเกินไปไปยกมันจนเกินไปไม่วางมันอย่างนั้นพระพุทธเจา้าสอนข้อข้อไม่ดีจัดท่านยังสอนพยาอะไรอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เา้าอันนี้ไม่ใช่ของเราเทียงท่านอยู่เหมือนกันนะเถียงเพื่อจะแบกเอาให้มันหนักนะ ไ <laughs> อ้ น, นี้ทําไม่หนักก็ไม่สบายนี่นหนักจังริ่มจังโรนนี่ยอันนั้นมันหนัก ก, ก็พยายามเป็นตะโกยเอานี้น่ะคําที่ว่าท่านมาวางแง่งผมก็ไม่ทํามาหา ก, กินดีไม่ใช่อย่างนั้นอีกไม่ใช่ให้ทำมาหา ก, กินอีกละ่ะให้ขยันขึ้นในทางที่ชอบไม่ใช่ให้เกลียดตข้านให้ขยนันให้สะสมอันนี้แต่ว่าให้รูจ้จักวัตถุอันนี้วัตถุอันนี้ไม่ใช่อาหารนี่สําหรับใส่น้ามาดื่ม อย่าไปรืมทั้งแก้วนะถ้ารืมทั้งแก้วมันเป็นทุกข์เข้าใจไหมนี่ ม, มีท่านไปใช่ของเราจะเอาใหใช้รักษาไว้ให้ดีเพื่อจะได้ใช้แต่ให้เข้าใจว่าไม่ใช่ของเรารักษามาันไว้ เ, ม, ม, เา ม, ามื่อถึงนขามันแตกแล้ก็แตกไปอย่างนี้ให้ได้ใช้อันนี้อยู่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ให้สัมพันธ์กันต้องให้สัมพันธ์ให้รู้จักอันนี้อยู่มันเป็นเรื่องที่จะพูดยากแต่คนเอามาสัมพันธ์ในเรื่องของเรา ในเปมันเปมายมันจึงเกิดทะเลาะว่าะแว่งกันมาก็เพราะสิ่งที่มาใจของเราเราเข้าใจว่าของเหล่านี้เองมันจึงถูกเกิดขึ้นมามันจึงเป็นของหนักอย่างนี้แต่เราให้รู้จักอย่างนี้อันนี้ก็ต้องไปพิจรารณาถึงจะได้อืจะต้องไปวีใจต้องไปพิจารณาดูเหตุผลมันจริงๆอย่างงั้นแต่จึงให้นั่งสมาธินั่งสมาธิเราไปนั่งไอพคนศึกษาทางโล ก, กออกมาแล้วฉันไม่นั่งหรอกไปนั่งดับตาจะเห็นอะไรื้อตามก็ยังไม่เห็นไป <c oughs> มันว่าไปยังงั้นอีกซะแล้วเรามองเดีมองทางเมืองสายเราเห็นไม่สายตาเด่นเรานั่งดับตาถึงนี่มันเดินทางนี้ทางจิตเนี่ยเราเราไปเห็นขนาดนั้นอเป็นปนั่งเป็นนั่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไพ่อเห็นว่านั่งไม่เกิดประโยชน์ไปนั่งพับเรียนเหนือยเนั้นคือไม่รู้จักเรื่องของมันไอความเป็นจริงอตาของคนเรานี่น่ะ ตาของคนเรานี่ท่านแยกเป็นสองอย่างตาเนื้ออันหนึง่งตาปัญญาอันนึงตาปัญญาเห็นถึงความจริงควรโศกไม่โศกควรดินโดนไม่ดินโดนเพราเห็นต่างความจริงมนมเช่นมากแก้วใบนี้มันแตกแล้วเสียดายมันอย่างนี้นะอย่าเพิ่งดีลอฟังกัก่อ มันแตกแม่มันแตกเราเสียใจนี่เสียใจเพ่อตายนายคุณยังไม่มีถ้าตาในตาในของคุณมีแก้วใบนี้มันจะดีอย่างนี้คุณจะเห็นม่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วแล้วคุณจะต้องใช้แก้วแตกทุกเวลาทุกวันนี่ทั้งเกงผืนนี่ก็ใช่ทั้งเกงที่มันมันมันผุแล้วเสื้อนี่มันก็ผุอยู่แล้วเห็นชัดเด้วอย่างนี้แก้วใบนี้มันถึงแม้มันดีอยู่นี่ก็เห็นว่ามันแตกอยู่แล้วทําไมถึงเห็นว่ามันแตกอะไร ก็เห็นที่นี่มันไม่แตกก็นเลยที่มันบอกมันแตกมันมีอยู่เนี่ยอย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้อย่างนี้ทุกอย่างน่แกไปนี้เราใช่ไปโดยทางที่มีปัญญาเราใช่ไปมันจะแตกมาหรือมันแตกก็ไปบะมันเป็นอย่างนั้นเองของมันนะทุกไม่มีปัญหาไม่เกิดเพราะว่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นแล้วนี่แม้ถึงหนักไปกว่านั้นอีกอย่างคุณป่วยเนะถือว่าดูตัวตนจริงๆริอันเนี้แบบเนี้เสียดายถ้าคุณป่วยพุกขข้นมา ถ้าเข้าโรงพยาบาลต่อคุณยินึกว่าหายๆจะเทิดประคุณหหวยๆพระท่านว่าอย่างนั้นท่านไม่เห็นทางนี้้ถามันหายก็เอ้าไม่หายแต่เห็นอย่างนี้เห็นทางที่ไม่ต้องทุกข์ถ้ามันหายก็ให้มันไม่หายไปถ้าหายก็ให้มันหายไปถ้าเราอยากให้มันหายอย่างเดียวถ้าเหตุที่มันไม่หายมันดีกว่าลองให้เท่านั้นนะเห็นไหมคือเหตุมันยังเหลืออยู่อย่างนั้นเชื่อมันยังมีอยู่นี่ ทำมาตั้งสอนไปทางไหนนู้นท่านหมายถึงว่าเผื่อว่าถ้าเผือ่เอเราอะจะทําอะไรถ้บเผื่อเราทำมาดีที่สุดแล้วมันเกินนแดแค่นี้ก็ให้พอใจแค่นั้นยังไงครับอืก็มันสุดแล้วจะทําไงอยู่อันนี้ถ้าสรุปแล้วหมายความว่าเม่อมีการเกิดก็ต้องมีการตายมันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่เราทุกเดี๋ยวนี้นะ่ะเพราะอะไรนะ อย่างคุณสองคนนี่นะเดินไปไปเห็นสัตว์สองอย่างเปรียบเทียบนะทํารมะต้องเปรียบเทียบนะไอ้ตัวหนึ่งเป็นเป็ดตัวหนึ่งเป็นไก่นะคุณสองคนนี่จะเห็นนี่ไอ้เป็ดทําไมไม่เหมือนกับไก่เนยมันน่าจะเหมือนกันไก่กับเป็ดเนี่ยคิดเรืองาจะให้มันเหมือนกันอย่างนั้นจริงนอนก็คิดอย่างนั้นนอนไปเดินไปคิดอย่างนั้นคิดจะให้ไก่เหมือนกับเป็ดคิดจะให้เป็ดเหมือนกับไก่ คุณจะทุกข์จนตลอดเวลาเลยถ้าคุณนี่เดินกันไปูอเรื่องปีติก็ให้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องไกก็มันเป็นอย่างนั้นของมันมันเป็นอย่างนั้นแล้วปัญหาก็ไม่มีนะปัญหามันตก็หมดอย่างนั้นไม่ได้ผูกไว้นี่คือเห็นต่อความเป็นจริงมันอย่างนั้นใช่ท่านครับไอ้ไอ้ข้อนี้ครับผมยังยังไม่อเข้าใจเลยทีเดียวอ้มันเข้าใจดีตามหลัเข้อศนาว่าเห็นไปตามเท่าที่เห็นนะฮะอย่างเมืองไทยนะ่ะ เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างนี้ให้เข้าใจถูกดิยังงั้นไข้ก็ต้องกินยาไปก่อนดิหรือจะไม่กินยาเลยนานนใ น, นเรื่องโลกมันต้องเป็นอย่างนั้นมันไข้ก็ต้องกินยาไปก่อน ย่าพึ่งกินย่ามันหายทุกคนย่าพิ่งเข้าใจขนาดนั้นบางคนหายบางคนไม่หายอย่างต้องเข้าใจไปแบบนี้อันนั้นมันเรื่องสากของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ให้ตัดออกอย่างนั้นอไม่ตัดออกอย่างนั้นทีนีไ้ไอ้ไอ้บ้านเมืองเราไอ้ทําไมนั่นไม่ไปปรับปุงกันยังไงเด้อจะไปปรับปรมันทําไมยังไงเดียวครับแล้วเมื่อเราเกิดมาอีกยี่สิบปีแล้วก็ตายไปแล้วเรื่องอะไรถ้าผู้อยากคิด ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราเข้าไปในพุทธศาสนาความคิดเช้นนี้ไม่มีมคนขยันถึงแก่ขนาดไหนเป็นต้นก็ยังกวดบ้านให้ดีทั้งนั้นเนี่ยเป็นเป็นปนิสัยลุกเศรษฐีคนเศรษฐีแล้วยังรักษาในมั่นคงไม่เหมือนคนขี้เกียจคนขี้เกียจคนทุกขี้เกียจอย่างนี้ไอคนที่เคยขยันมันเป็นสันดานอยู่แล้วนะ ยังไงก็ต้องขยันจนแก่ต้องระมัดระวังอยู่อย่างนี้เป็นเป็นสันดานอย่างนั้นถ้าเรื่องพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราอย่างนั้นไม่ใช่ของเราอย่างนั้นน่ะไม่ต้องทําอะไรมันอันนี้ไม่ใช่เรื่องความคิดของพุทธศาสนานัน่นก็คิดไป็นขันยังหนึ่ง อ, อ๋อไม่ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าให้หายมันมากก็ได้แต่อย่าเราจะให้มันทุกกับอันนี้เห็นไหม อยาให้มันทุกย่าให้นี่เป็นพาพาให้เราทุกแต่ให้เราใช้อันนี้อยู่แต่อย่าให้อันนี้พาเราทุกย่าเป็นทาตของสิ่งนี้เราหามันมาก็เป็นทาตมันพอแรงแล้วมันจะแตกไปก็ยังทุกข์แต่มันอยู่อีกนี่จะเอาดีเมื่อไหร่เราเนาะเออนี่เรื่องจิตนะเรื่องจิตนะไอ้คุณแยกบอกเป็นเรื่องจิตนะ ครับไอ้ที่ที่ผมได้อ่านบทความของผู้ชาตยทพี่กูนะฮะว่อย่าให้นึกว่ายึดั่นว่าอย่าให้เป็นของกูเลอท่านพูดแบบนั้นนะเพรากูของกูเลออย่ายึดมั่นในนั่นท่านหมายความว่าไงครับท่านผู้ช่วยพี่กูนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ท่านอธิบายความใช่นี่คือกูนั่นมันไม่มี ไม่ใช่มาจะของนี่ไม่ใช่ของเราตัวเรานี่มันก็ไม่มีกูนี่ท่านหมายถึงเรายึดทนถือว่าของนี้มันเป็นทางให้เราเกิดทุกข์ถ้าหากว่ามันมีกูนะมันมีโดยฐานที่สมมตุติเดี๋ยวนี้คูณยังพูดไม่เข้าใจกันคนหนึ่งพูดไปข้างล่างคนหนึ่งพูดขึ้นข้างบนมันเรื่องจิตเรื่องความเป็นจริงจริงๆ กับเรื่องธรรมดานี่มันพูดยากที่จะเข้าใจกันอันนึงมันเป็นภาษาคนอันนึ่งเป็นเบื้องภาษาธรรมะแต่มันไม่ไปตรงที่ภาษาความจริงแนี่จริงๆริงท่าเข้าใจเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอืมันมันมันมันเป็นอย่างนั้นครับอันนี้ต้องต้องอย่างน้อยท่านจะต้องไปนั่งดูให้จิตให้มันสงบท่านยังให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยตนเองอย่างนี้ เถียงกันไม่มีหยุดเลยเถียงกันไม่มีหยุดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อือมันมันมันมันไม่เห็นแน่ความปตรงนั้นไอ้ความเป็นจริงตรงนั้นแหละมันเป็นความจริงอย่างนีแต่เราไม่เห็นความจริงมันก็ยกกันมามาพูดกันไม่เข้ากันพูดอันเดียวกันไม่เข้ากันใช่ผมว่านี่เป็นปัญหาของโลกใช่คือคือผมฟองจะเข้าใจแล้วครับเอ ก็เราต้องไปหาพยายามหาเงินมาซื้อแก้วเพื่อไว้ใช้แต่เราไม่ได้เป็นทาสของแก้วอเพราะว่าเราเชื่อว่ายังไงก็ตามแก้วมันจะต้องแตกใช่แต่เมื่อรู้ว่าแก้วแตกแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ซื้อไม่ต้องไปหามาเพื่อใช้จช่แต่ให้รู้ไปนี่อีกต่อไปให้รู้อย่างนั้นอีกต่อไปไม่ใช่ว่ามาให้แก้วมีอ๋อเออ นีเดี๋ยว่าของเรานี่ให้พูดเสมอว่าของเราแต่ว่าเมื่อโดยฐานที่สมมติต้องเป็นเราเช่นว่านี่ชื่อไม่ตรงกันทุกค น, นคสมมุติว่าโอเคอเราเกิดมาไม่กี่ปีนะฮะอยู่ชีวิตไป่นานแล้วเรื่องไรเราไม่ควรยึดมั่นคือมั่นในสิ่งทั้งหลายแล้วเรื่องไรเรามามัวเสียเวลาทำมหากินสร้างจัก ส, สมบัติไว้ให้ใครครับไหนก็นั่นที่ถึงว่านี่สร้างก็อยากให้มันทุกตีนมาให้ทุกเท่านั้นอยากสร้างก็อยากให้ทุกไม่ต้องสร้างเอ เออไม่ ใ, ใครทั้งนันนี่สร้างไงใครคุณทุกคนสร้างไใครมี ไ, มไมหมนี่ใช่ว่านพูดตามความจริงนะสมมติเราคิดแบบนั้นฮะนัรอมนาจจะเรันทุกคนมารัเมื่อเราต้องการจากของรักไปอะไรนี้เเราคิดแบบนั้นแล้วเราจะ่างสร้างอะประเทศชาติจะเจอได้ไงครับถเเราเราีกว่าไม่ใช่ของเราเราสร้างมาสร้า ง, าางาทำไมไเมื่อเม่กี่ปีเราก็ตายแล้วนี่นนใครสร้างนี่ ใทย เ, เป็นคนสร้างนี่ไทยเป็นคนสร้างนี่แต่คนสร้างได้อะไรไม่นี่ทีนี้พระพุทธองค์ท่านไม่สอนอย่างนั้นน่ะท่านไม่สอนเนีเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนั้นแก้วใบนี้มีสตางค์ก็ซื้อได้หลายเธอเ <Yeah. S 1> พืออ่อ น, นมาใจคนใดใบจะใบในใ บ, ใ บ, ใน บ, ใบดื่ม น, นา่าจะได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้มีไม่ใช่มาหามหาใบทาไมไ ม, มีมากก็ได้แต่เราอยากให้มันเป็นทุกให้รู้จักรู้แก้วทุกใบทุกใบแท่ทนั้น ผมปล่อยเข้าใจเอเราสร้างได้พยายามสร้างหมายถึงว่ า, าตรงกระจายสิ่งที่เราจะสร้างสร้างในสิ่งที่ให้ถูกทางหรือไงครับใระจชย <c oughs> คือเรื่องถูกทางไม่ถูกทางนั่นนะ <c oughs> ถึงแม้คุณจะเอาเงินทองของคุณมาทุ่มเทสร้างขึ้นก็ถูกทางของคุณนะ แต่ว่าเมื่อว่านมันจะพังเมื่อไรนั่นน่ะมันก็ยังเป็นของคุณอีกนะมันจะทุกข์อีกมันจะลาบากอีกถ้าไฟมาไหม้ก็ลำบากให้รู้ไห้อย่างนี้ถ้าเราจะสร้างก็ได้ออถ้าเราก็สร้างก็ได้ ถ, ถึงถึงถึงจะคุณมาให้เป็นของคุณกว่างิงแต่อ่ลที่สุดแล้วมันก็ไม่เปลียนอยู่แล้วท่านบอกไปก่อนใช่ว่ามันไม่ใช่ของคุณถ้าหากบอกไว้แมันเป็นของคุณอย่างแน่นอนคุณจะยิ่งเกิเป็นบ้าห ล, ลงไปคนนี้อีก ขนาดท่านว่าอันนี้ไม่ใช่ของคุณนะระวังนะมันเป็นสมบัติอย่างนี้ขนาดนี่เลยยังตะกายจะไปหุบย่ให้มากไม่ใช่แต่ขน้นยังทะเลาะกันอีกอยังปนกันอีกนะยังทะเลาะกันอีกนะของไม่ใช่ของใครสักคนกันนเลยเท่านั้นนะให้มันเบาทุกลงไปเท่านั้นออืืมให้รู้จักระวางในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นมันเป็นถูกความท่านนะ ท่านก็ไม่บังคับให้ท่านสร้างนะพระพุทธเจ้าใครบังคับให้เราสร้างตรงนี้บ้านเรานี่นะแต่ความอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้เองแต่ความอยากนี่ครับที่ผมสงสัยว่ามันเป็นเป็นความดีและความเลวครับที่เรามีความอยากทำแบบทำนี้มันเป็นความถ้าเรามีปัญญานั่นมันความอยากกันมันก็ดีถ้าเราโง่เนี่ยมีความอยากแต่มันก็ไม่ดีคนรวยมันดีหรือเปล่าก็คนจนอะไรมันดีกว่ากันอ๋อจะถามคุณยังงี้อ่ะท่านเขตถาว่าไงครับคนรวยกับคนจนใครดีกว่ากัน มันผมว่าต้องถามว่าดีแบบไหนแแบบไหนแบบมันดีน่ะรอกดีถึงสุดมันน่ะรอกเอาดีอะไรก็เอาครับคนดีแล้วคนรวยดีกันน ะ, ะคนจนแ ล, คนล้คนรวยคนจนแล้วคนรวยผว่าก็ดีทั้งสองอทั้งสองสองฝ่ายคนรวยเคยมีทุกข์ไหมทั้งสองฝ่ายแม่นั่นแหละมันก็เสมอกันอย่างนั้นเห็น ไ, ไหย แต่ผมว่าไอ้คำว่าดีกันนี่มันไม่มีใครดีกันโลกใช่มันเสมือกันอย่างนั้นนี่พูดพูดถึงที่สุดมันถ้าไปดูบ้านเนอะถาถคุณมีบ้านนั่งใหญ่กว่าบ้านเนี่ยคุณเนี่ยดีใหญ่กว่าเขานตะั้งแต่มันพังก็พังใหญ่นะถ้าน้าท่วมก็ท่วมหลังใหญ่นะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นบริกรรมอย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นอืเรื่องอันนี้มผมผมไม่ได้ใจผมเข้าใจครับ ทีนี้ทีนี้ทีนี้ในในเวลานี้ยังไม่เข้าใจให้ได้ยินไว้ครับคุณก็ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ให้ได้ยินไว้เหระแต่ว่าที่พูดได้ฟังอย่าเชื่ออย่าไม่เชื่อให้ฟังเออฟังไปเฉยๆฟังไว้ดูตัวเหตุการณ์พวกมันทีเป็นไปยังไงคุณสํานึกอยู่เสมอว่าดี้ด้วยมันเป็นยังไงให้สังเกตดิ้ดิ้ดี้ดิ้ดิ้ดิ้ดิ้ดิ้ดินดิ้ดิ้ดิ้ดิ้ดิ้ดิ้ด เราจะเห็นว่าจริงคือแม้มันขามันมากมันจะวิ่งเร็วนะไก่มันสองขามันวิ่งชา้าครับน่าจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะแต่จับตัวตัวตั ว, ต ว, ตวมันวิ่งแข่งกันในะจริงคือสู้ไหวไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> เออเด็ขามันมากมันเจะกะเฉยเฉยตัวมีนเนืี่ไอคิดทบทวนไปมาเป็นต้องไปภาวนาให้เห็นทางจิตรอันนี้อันนี้ไอคุณจะเสริมออกมามันเป็นทางนอกอันนี้อ ทางในอันนี้มันพูดสื่อกันนี่มันฟังยากหน่อยครับในในในในที่ว่าอย่างนี้อาจามาจะบอกให้ง่ายๆว่าถ้าความสงสัยอย่างนี้มีอยู่นะถ้าคุณจะไปเที่ยวถามให้หายความสงสัยนะั้นตายก็ไม่หายจำไว้บทหนึ่งนะ <laughs> <laughs> นะถ้าหากว่าคุณจะหายสงสัยนะ่ยคุณจะนั่งสมาธิด้วยจิตสงบหรออะไรนึงลูกเป็นมาเองนั่นแหละแล้ว <No. S 1> <laughs> หลวงพ่อจะแนะนำวิธีนั่งสมาธิเออได้ได้ได้ครับสมาธินี่นะสมาธินี่เป็นเรื่องของทำทำยากได้นหน่อยหนึ่งก็ก็เพราะว่ามันมันมันเป็นของที่ไม่เคยหยุดมาตั้งแต่เรา เ, เล็กเมาจิต ใ, ใจของเราเนี่ยจิต ใ, ใจเรายิ่งไม่มีกำลังยิ่งมีความรู้มากคิดมากไม่มีกำลัง ห้ากายมันมีกำลังต้องวิ่งออกกำลังกายกายมีกำลังจิตต้องให้หยุดพักนิ่งเป็นอันเดียวาซะก่อนจิตมีกำลังเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะมาทำจิตนี่ให้มันหยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียวนี่สักช่วโมงหรือห้านาทีสามนาทีก็ยังดีนะจะรู้สึกว่าจิตนี่มันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทีนี้มันจะลำบากที่เรามานั่งนั่งสมาธิ ย็นๆนี่เป็นปนั่งดูกรไดเนาะตับตาลงเส้นิดหนึ่งนั่งให้ทําความปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องนึกคิดอะไรมากมปล่อยเวลานี่ปล่อยให้มันมีความรู้สึกรมมันออกกระลมมันเข้ารมมันออกให้รู้ตามลมเท่านี้ไม่ต้องไปทําอะไรมากมันจะรู้อะไรมันเจนอย่าคิดวนวายเลยแล้วสมมุติตอนที่นั่งเนี่ยบางทีไอ้ไอไอไอเล่อมันเข้าในกิ่ เรื่องอะไรอเรื่องที่ผ่านมาเรื่องเรื่องอะไรแบบนี้ในชีวิตเอื่อยเรื่องที่เราเกิดไปทะเลาะใครคนนั่นนั่นละนั่นละนั่นน่าเรื่องทรมานมันนั่นอุตริมันรั่วตรงนี้กุตตรงนั่นดีแต่เ่อไอไอเขไอไอไอไอตอนที่เรานั่งสมมตินั่งไอไอจิตอย่างอื่นมันเข้ามาจิตอะไรเอ่อไอเรื่องอื่นเข้ามานี่มันผมที่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับที่มันไอที่จะ เราจะตัดโดยใจใจใจใจใจใจไม่ ใ, มใช่เอาเดียวนี้นะนานนะ น, นี่อีกชีวิตดึงได้ก็ยังดีนะนี่พูดนีนะไม่ใช่ว่ามันง่ายขนาดนั้นนะต้องการรูร้ ม, มันเรื่องอะไรรู้ว่าผมมีว่างนะครับอ๋อมันไอเทียดดังโดยไม่ให้มีรายจิตเข้ามาให้ใหว่างทีเดียวนี่ยผมว่ามันใช่เข้าใจหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นะเช่นว่าคุณนั่งเสียงดนตรีเขาเล่นเนี่ยคุณต้องการความสงบใช่ไหมคุณยังไงนะเออได้ยินนะ ได้ยินคุณจะนึกว่ายังไงคิดว่าเสียงมาข่วนเราเงินเดือผมผมไม่นึกนึกยังไงจะสบายไหมจะสงบสงบไหมผมว่าผมสงบเสียงก็เสียงมีบ่อยฮะได้อย่างนั้นจริงแต่อันนี้เป็นคำพูดเฉยๆนี่ไม่บางทีได้เงนจริงแต่บางทีถ้าเผราอยู่ในอารมณ์ที่มันไม่ถูกอารมณ์นี่นั่นแหมันก็รบกวนเหมือนกันนั่นแหะมันรบกวนรบกวนไม่ใช่ว่าสิยงนั่นรบกวนเราเราไปรบกวนเขานี่เข้าใจไหมก็ถูกล้ครับนั่นแหละ เนี่ยคุณต้องเข้าใจใหม่คนจะพูดตรงๆ อ, อยู่คุณจะมาแหมนะนั่งสมาธิไม่ได้คนมารบกวนเสียงมารบกวนอย่างนี้ก็คิดได้แต่มันไม่ถูกถ้าถูกแล้วเราเราไปรบกวนเขาเขาไม่รบกวนเราถ้าคิดทางนี้กิบก็่าสงบครเด็กเด็หลวงพ่อยอมรับเ่าว่าตอนหลวงพ่อนั่งสมาธิหลวงพ่อมีสิ่งอย่างอื่นเข้ามารบกวนมัมีมีใช่ไหมครับมี พอสามกนนันอ่นี่ <c oughs> อือมีอือแล้วหลวงพ่อทาไรครับเราแต่รู้มันอันนี้ไม่เป็นอะไรนี่มันเป็นอารมณ์เฉยๆแต่ไม่มีอะไรกับมันไม่มีความวุ่นวายกับมันแล้ว <c oughs> เห็นไก่มันผ่า น, น <c oughs> เห็ไก่มันผ่านเห็นสุนัขมันผ่านสุนัขมันผ่านไปแล้ว <c oughs> อะไรมันผ่านก็ผ่านแล้วไป น, นี่ก็สงบ อ, อยู่เฉยๆแต่นั้นนลวงพ่อรู้เรื่องของมันแล้วอย่างนี้จิตมันก็สงบหลวงพ่อยังไม่บอกวิธีนั่งนะครับนี่นั่งอย่เดียวนี้ นั่งขต่มาธลนั่งินนั่งดนันั่งสมาธิอ่าฮะนั่นนั่ั่สมาธิขัดสมาธิแล้ว้างขวาทับางซ้ายมือขวาทัมือซ้ายนี่นี่่นง้สิะเออต่างกันตรงมือขวาทัมือซ้ายเออตรงนะนั่นปันปันติดคุกนั่นหนึ่งนะ่อทับซ้ายทักซ้ายนะแลก็เราจะนึกว่าในเวลานี้เราจะปล่อยวางทั้งหมดให้รอตติกิจอันเดียว เรื่องการงานทุกสิ่งทุกอย่างลอยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ลอยออออใช่เดี๋ยวนี้ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องนั่งแก้ปัญหากับใครแล้ววัน้เราจะปล่อยวางแล้วกําังดให้ความรู้สึกกับลมอารมณ์เป็นเป็นหลักฐานลมออกคือว่า ห, ห, ใใหาย ใ, ใจให้มันสบายนะอย่าไปบังคับให้มันยาวนะอย่าไปบังคับให้มันชั่นนะให้ไปตา ม, ตามสบา ย, าบายของมันนะ ที่มีอจะมีอะไรมาผ่านก็ช่างมันก็ปล่อยวางนั่งอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไหมอย่าคิดคิดก็มีส่งเสริมมันนั่งไปอย่างนี้มันจะเป็นยังไงมันมันจะเห็นอะไรอย่าไปคิดไม่เอาทั้งนั้นะเราไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการดูร่มเข้าออกจนกว่าจะเรามีความสงบไปเรื่อยๆแล้วท่านต้องหลับตาเปล่ดับตานิดหนึ่งกันอย่าไปดับไปมโนั่ง ไม่ต้องเพ่งอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องเพ่งอะไร Arc. ดนนูนี่นี่นดูมเาออกนี่เนี่ยเอาเช็ดดีดูนี่เเนี่ยไม่ต้องดูอะไรนั่งเอาตามกำลังนะเอาามกำลังนะแกตัวมนขับมันมากด้นน้ำจำดานไปมันระายมันอยู่ไป้นนั่งวันะเกียนทีครับเออาเชอกมีโอกาสอะไรก็เอาเชือกบางคนก็ไปนั่งกระทั่งวันมันก็ไม่ได้ทงานอีใช่ใช่ใช้ประโยชน์ดิไอคนมีประโยชน์มากๆยิงเสียแล้วน นั่งวันเวลาเราจะนอนหรือไงเนี่ยหรือเวลาเราพักผ่อนวันหยุดอย่างเงี้ยเราหาลมไม้ดีเป็นนั่งเดี๋ยวหลับไปเลยครับนะอหเราก็คนมันหมดแล้วนะ่ะคุณขี่เกียรจิมันดับเนี่ยเราเคยเขียนหนังสือเราเคยดับไหมมันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละเราเคยเขียนหนังสือทําบัญชีอะไรมันดับไหมนี่มันจะดับยังไงมันเขียนอยู่จ้องนนีหลับมันก็พังเท่านั้นเนี่ย จิตนี่กนวัตถันด้นนันนี่ยมันก็แยกออกจากลมท่านั้นเนี่ยคนยังไม่ได้ทำนะสงสัยจะมายิ่งจะสงสัยมากกว่านี้ถ้าไม่ได้ทำนะอทีนี้ต่อไปนี่เมื่อเมื่อโยมในใจจิตสงบเนี่ยไม่ต้องนั่งมากต่อต่อไปนั่งที่ห้านาทีนั่งไค่ที่มันจะเก็บหัวกันนั่งเี๋ยวไยุดแล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อคุณบอกจากสมาธิ จะไปทํางานอะไรที่ไหนจะทําอะไรก็ตามจะยืนเดินนนอนให้มีสติอยู่ว่าทําอะไรอยู่อย่างนี้คิดอะไรอยู่อย่างนี้ทําอะไรอยู่อย่างนี้คิดอะไรอยู่อย่างนี้เนาะเอออันนี้มันเป็นที่เรียกว่าให้กําลังเราที่ไม่ไม่มีเวลานั่งนานเราจะทำงานอันนี้ว่ายืนแล้วก็ต้องทํางานนั่งก็ต้องทํางานนอนก็ต้องทํางานให้มันมีสติอย่างนี้อยู่เสมอเท่าที่เราทําได้ ลองดูให้จิตสงบอลองลองที่อนลอ ง, ลองมันจะเป็นยังไงไหมให้มันเกิดขึ้นในนั้นนะในที่มันยังไม่รู้นั่นแหล ะ, ะเออไอตัวเองมันไม่รู้นั่นนะอย่าไปถามคนอื่นเลยให้มันรู้ขึ้นมานะมันจะบอกตัวมันเองตรงนั้นนะยังไมีใครไปทำไหมนะี่ผมจะลองลองทําดูครับนี่ก็ผมคิดอ่าแต่ผมไม่ทาแบบของพวกเดียนะไม่ใช่ไอ้ไอ้ ไ like อ้การสังกัญโซ่เมดิเทชันของอินเดียก็ทํางหร่อท่านก็แบบให้พูดถึงคำคำโดยที่คำคำนี้ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นว่าทำให้จิตว่างไปโดยที่พูดถึงคำที่ไม่มีความหมายมันก็คล้ายๆกันเลยกับของของพวกเราอันนั้นเราเราเรารู้ดาไม่รู้ถึงแง่บู ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถึงที่สุดเรายัางไม่รู้เรื่องของว่าความเป็นจริงของว่างแค่ไๆว่แก้วนี่ไม่มีใช่ไม้มครับต้องมองเห็นแก้วที่ของว่างถ้าไม่มีวัตถุจะมีว่างหรือว่างมันเกิดจากของทีมีอยู่แต่ท่านพูดว่ามันเป็นของว่างออ เออนี่แก้วนี่มันเป็นวัตถุท่านบอกว่ามันว่างทําจิตให้มันว่างทําจิตให้ว่างจิตจะเอาอะไรไปทํามันมันว่างมันว่างกันหมดทั้งแล้วนี่มันก็จนมุมนึงคำที่มาว่างมันว่างในของที่มีอยู่ตอนงในของนี้มีอยู่ยางไงนี่อันนี้อันนี้มันเป็นของสมมุติท่านผู้ศึาหมายถึงว่างในสิ่งที่เราคิดอยู่แล้วสิ่งที่ท่านอยู่ มาผ่านมากระทบกระทบเราทั้งวันเราให้ว่างจากสิ่งนั้นให้ว่างจริงจงแต่อันนั้นมันมีอยู่นะมีคือเรารู้เฉยเฉยคือมีมันมหยึดได้ยึดมั่นถือมั่นมันมันรู้จักอยู่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่รู้มันรู้เพราะสิ่งที่มันมีแล้วก็มันว่างมีก็เพราะสิ่งที่มันไม่ว่างเออ มันมันมันมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้อ่าครับอ่ามันต้องเป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงแก้วนี่ไม่มีนะแต่คุณมาสมมุติคือสมมุติว่าว่าแก้วนั้นนี่ไปสมมุติมาจากอะไรเนี่ยสมมุติมาจากสิ่งที่มันไม่มีมาให้มันมีนี่ี่มันเป็นของสมมุติไอ้ความเป็นจริงแก้วมันก็ไม่ใช่มันไม่มีอะไรทั้งนั้นมันเป็นธรรมธาตุขึ้นมาเฉยๆท่านั้นแล้วก็ไปตั้งชื่อมันแล้วก็ไปยึดชื่อมันติดชื่อมันเอ่ ใครว่าแก้วก็ยึดว่าแก้วไอ้คนนี่นึกว่าถ้วยว่าถ้วยไอ้คนไปพบแก้วกับถ้วยเนี่ยพูดคนได้อย่างก็ทะเลาะกันกันได้เ <c oughs> น, นี่ยเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันสมมุติมันจึงต่างกาันแต่ความสภาพของมันมันไม่มีอะไรดังนั้นนะเราไปสมตมติแต่มันเป็นแก้วเป็นกระโถนเป็นถ้วยขึ้นมาตามธรรมชาติมันนั่นไม่มีอะไรมันมีเมื่อเราสมมุติขึ้นมานี่อย่างตัวเราทุกคนมีชื่อมเแต่วันเกิดหรือเปล่านั่นใช่ไหม พอเกิดมาปุ๊บพ่อเมียในกอในขอนี่มันมีขึ้นเดียวนี้มีมีประโยชน์ไหมชื่อนี่มีประโยชน์ไหมสมมติมีที่ให้คนรู้จักว่าชื่อนั้นชื่อนั้นถ้าเรียกว่าคนคเดียวกันสมมติคนท่างร้อยคนปันคนเรียกว่าคนคนใครจะมาล่ะก็มาทั้งปันคนร้อยคนยจะเป็นประโยชน์อะไรล่ะนี่จึงเรียกนายคอกับนายคอกันมีประโยชน์แค่นี้สมมุติไม่ใช่ว่านี้ระโยู่์ตินี้วีมุตมันก็มันก็พ้นจากนี้ไปคือว่ามันไม่มีอะไร ที่มีเดียวนี้ก็เดียวกัสมมุติของเรานี้ก็มันของคุณเอาแก้วไปไปซื้อมาเดียวนี้ทามาหาพระนี่ไม่ใช่ของคุณตรงนี้คุณก็จะเถียงไม่ใช่ของขอผมซื้อมาเดียวนี้ชื่อกว่าจริงเถอะชื่อมากกว่าไม่ใช่อ่าอย่างนี้มันว่างอย่างนี้ลองกันนั่งสมาธินี่ผล<อ>ประโยชน์นี่ท่านยังไม่ไดอืป ผว่านค่อยากให้ท่านไปอัตมาเห็นว่ามันมันไม่ค่อยยากอะไรนะอ่าไอ้ผลมันเกิดมาจากเหตุมันถึงถ้าเราทําแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเองไม่ไม่อยากจะรู้ม่อก็รู้เช่นผลไมมผลนี้เนาะจะทําให้เข้าใจอย่างเดียวก็ให้เข้าใจมุน่ะอัตมาไม่เคยมาเมืงนอกน่ะไม่รู้ว่าผลอะไรเนาะก็มาทานแมอร่อยดีมันหวานมันหอมรู้จักนมด แต่อาจามาก็ชื่อผลอะไรนี่อาจามา ก, ก็ไม่สําคัญมากไม่ต้องถามหามันเงี้ยรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ถ้าถ้ามีคนขอบคุณมาบอกผล น, นี้ชื่อนั่นก็รับฟังถ้าไม่มีใครบอกก็ช่างมันให้อามาได้ฉันผลไม่ชนิดนี้ก็แล้วนะเท่า น, นั้นแหละถ้าเขาอันนี้ผลอันนั้นมันไม่เพิ่มความหวานขึ้นดีกเหก็นไหมมันไม่เพิ่มความเด็ดอร่อยขึ้นดีกหรอก นี่เข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ควรรู้กับรู้ไม่คน ร, รู้คนเกิดคือเยอะเกินทําไหมนี่จิตของคุณคเยียจเยียนคุณจะมีสติปัญหาได้เกิดขึ้นมาพูเป็นต้นคุณจะพยายามตัด น, นะกไดมาให้กันทุกอย่างสงบเกา่าว่ารู้จักว่าอะไรเป็นอะไรออนั่นมันจะเป็นอย่างนั้นจะจะจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ค่อยๆสันเกียดไปอย่าเร็วนะนี่นะ่ากลัวจะร้อนเกินไป อย่าให้ร้อนนะร้อนไม่พบนะรอมหนึ่งร้อนใหญ่นะผมพยายามนั่งมันทั้งสามปีแล้วไอวางซะคือคืออย่าไปเอาอะไรเลยนั่งนั่งการทำเพียงนั่งเพราะการปล่อยวางไม่ใช่ว่าจะเอาจังนั้ยกม่ัไม่ได้คินอะไรครับเอเพื่อไอความเพื่ออะไรพักั่นเพื่อสงบไหล่ะคิดสงบไหมก็สงบครับบางท้านก็งบาง่าก็ไม่เรื่องไม่สงบกันนั่นแหละ มันก็แล้วแต่เรื่องในสังคมสังนอกแต่ความคิดของเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ให้ปุ๋ยถูกใหอาหารถูกจะเปลี่ยนลำต้นไปอยๆแ ต, แต่สรุปแล้วมันดีกับสมภาพเด็ดผมนกับสภาพเ ต, ต้องอะไรเนี่ันม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่่่มมม่ เรื่องการนั่งกรรมฐานเนี่ยนะคะซึ่งหนูก็เคยทดลอง<ม>แลวหนูได้ไปที่วัดก็มีท่านอาจารย์หลวงพ่อที่วัดนะคะ<ม>ไ้สอนหนกจนว่าวิธีนั่งกรรมฐานเนี่ยให้เรานั่งแบบที่หลวงพ่อได้สอนเมื่อกี้นี้คะแล้วให้เพ่งจิตที่ลมหายใจเข้าออกในระหว่างที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าจะเป็นการดีหรือว่า สำคัญหรือไม่ที่เราจะใช้คําพูดที่ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโพลพุทโธตลอดเวลาหรือว่าเราจะเพ่งจิตที่สายลมหายใจมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เราต้องทําผ่านไปการรู้จักที่เราให้พุดโธพุทโธมันทํางานหยาบเราฝึกมาตั้งว่าให้ว่าพูทโธพูทธโธนับไปตั้งแต่นั่งพุทโธพุทโธนี่เมื่อจิตแล้มันละเอียดนะไอ้พุดโธมันเป็นของหยากกันแล้ว ถ้ามาเมเพ่งว่าพุทธโธมันจักจะรำคาญเกิดความสงสัย mm hmm. นี่นี่แม่เราจะไม่ว่ามันไม่ได้ไม่นอไอ้พุทธโธคือตัวผู้รู้นั่นเองไม่ต้องว่าพุทธโธก็ได้แต่มันรู้ไหมว่าเข้าออกแต่มั น, น, นความรู้นั่นเรียกว่าพุทธโธไอ้ตัวพุทธโธนี่คือคำพูดที่เรารู้มันลมเข้าออกอยทุกขณะนั่นแหละม่เป็นตัวพุทธโธอย่างแท้จริงแต่เมื่อเราในระยะมันไปเปลี่ยนกันซะสงสัย ท่านอาจารย์บอกให้ว่าพุทโธพุทโธเราก็ไม่ว่าพุทโธมันดมมันก็ออกอยู่มันจะเป็นตัวสงสัยอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องพูดว่าพุทโธมันก็รู้อยู่แล้วไอ้ความรู้นั้นน่ะเรียกว่าพุทโธความรู้สึกว่าพุทโธน่ะเรียกว่าพุทโธอยู่แล้วมันเปลี่ยนเท่งนี้เข้าใจเท่นี้ก็พอเนี่ยเอามาวางไยูตรงนี้เฉยๆไม่ต้องอำหนดก็ไปตรงนี้ก็ได้แค่รู้ว่ามันออกอยู่มันเข้าทานั้นนิ่งอยู่ตรงนี้ ผลที่สุดมีเห็นกิตอยู่ที่นี่เห็นดมอยู่ที่นี่เห็นสติอยู่ที่นี่เห็นความรู้อยู่ที่พร้อมกับคสุขอนุงบสิ่งทั้ทงหลายเหล่านี้สงบลงไปแล้ิตก็เป็นอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ทีนี้ออกจากนี่ไปเราจะก่อนนั่งสมาธินี่ควรที่พิจารณาต่างแต่ศีสันลงไปท้าวส่วนนี้หมดพิจารณากาย กายทั้งก้อนนี่เป็นกายแต่พิจารณาของในกายนี่มีอะไรอีกบ้งไหมถูกครั้งอันนี้จะส่งเสริมว่ามันจะเห็นกายคนคนเราแล้นก็ไม่มีอะไรมากมายนะเนี่ยเนี่ยมันจะมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรมากเท่าไรมันจะพิจารณามีปัญญาไปเองมันมีปัญญาไปตัดทั้งหลายไอ้ความทุกข์ความยากมันก็ทอนก็นมาอย่างข้าววันนี้กินกี่จาน ทำไมมันกังวลบางวันทะเลาะกันพ่อบ้านแม่บ้านไม่ได้อยู่เป็นสุขเดทะเลาะกันเพราะอะไรมันจะได้ค้นว่ามาอ่านดูมันจะรู้จักมันจะพูดจักปล่อยจังหวะจิตใจเราจะสงบเห็นเนี่ยมต่อปอยเห็นเนี่ยงพ่อวางเป็นจิตใจที่เยือกเย็นจิตใจที่เนียนหนะเป็นกำลังที่จะเกิดปัญญาของเราสําหรับให้เราเยือกเย็นในครอบครัวนี้ที่วิตเป็นอยู่แล้วแล้วก็มีอีกอย่างนึ่งคือว่า มีเอ่อท่านที่ใหญ่ซึ่งอายุก็ผู้เราเขาวคุณย่าคุณยายนะคะได้เล่าให้ฟังว่าท่านได้นั่งกรรมฐานและเป็นความจริดไหมฮะว่าเมื่อทุกคนที่ทุกคนที่มีจิตศรัทธาแน่นแล้วก็นั่งกรรมฐานเนี่ยเมื่อนั่งพันดนานเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเห็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับนรกสวรรค์เมื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใหช่วามครับอันนี้มัน เ, เรื่องเบตเตอร์ตอันนี้มันเรื่องคนกบขนมันเรื่องทิ้งทั้งนั้นแะ ก็เห็นสวรคจะกระโดดมันขึ้นไปไหนดูเป็นแสงสว่างอยู่ในเมืองเราแสงสว่างเยอะไปนะไม่ต้องไปนั่งดับตาไม่มีแสงสว่างหรอกเดินไปตามเมืองจํานายแสงสว่างมันเยอะไปเลยไม่ต้องอยากเห็นอ น, นั้นอยากจะเห็นความเสื่อยของผมกิตเหล่านี้เมื่อถูกอารมณ์เมื่ออยากเห็มันไปยึดมั่นถึงมันเนีมันพ้นจากทุกข์แล้วนะอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นไปกัมันเป็นมันเป็นเครื่องประรับของภูมิปัญญาอืม มันเป็นของเบ็ดเตล็ดเถอะนมันเป็นขอ ง, ม, ของมีควงยึดมั่งถือมันอะไรนะ่ถ้าไม่ต้องการอันนั้นอันนั้นมันของภายนอกมันเป็นไปได้ทุกอย่างกันละคือจุดประสงค์ของชอบก็คือว่าการนั่งกรรมฐานที่ต้องการทาจิตใจให้สงบใช่แต่ว่าการนั่งกรรมาฐานของท่านผู้ใหญ่ที่เคยเล่าเหมอนกันว่าทำไมเป็นจิตใจคือตั้งกรรมาฐานแบบต้องการอยากจะรู้แบบนักก้นแหละคนชอบเบ็ดมัุกคนชอบเบ็ดมังุ จะไปนั่งทำอะไรลพานทำไมอย่างนั <tr> ้นน <ops> ั่งรถไปดูโอตาเม่ไม่โอโต้ของจะดูอย่างนัไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วรู้ว่ามันเป็นของปลอมมันองไปด้อยคือถ้าเพื่นั่งให้ต้องการจะเห็นเห็นจริงก็แบบไม่รู้บางคนมันก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นไม่ใช่คนคนเดียวมันคนหลายคนทํำทำไมล่ะคนเราไม่ต้องการไม่เห็นอะไรอ่านอน เห็นจิตจะความมันสงบเท่านั้นเองใช่เหตุผลอะไรใชมใช่ไหมทีใครบอกว่าเห็นนั่นเห็นนี่ผมว่าจิตชอบมากกว่าปล่อยในตัวมันวางเลยแสดงว่าจิตเกาไม่ว่างจิมเาเห็นใช่กแวท่านถ้าเห็นก็เห็นมีเหตุผลดีกว่าเห็นเห็นเรื่องจนมันหลั่งงับไปมันมีเรื่องเห็นไหมเดี๋ยวเห็นไม่เห็นเดี๋ยวเห็นมากหรือเปล่าไป ก็ตัว้นครัไอ้ถ้าเกิดจิตว่างคุณจะไม่เห็นอะไรเลยถ้าเปิถ้าเปิด่ถ้าเปิดิว่างอ่างเงี้เลยีนีผมนั่งดีผมลืมไปเลยแต่ถ้าเปิดวันไหนที่ผม